มาศึกษามาเรียนรู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักตัวของเราเองว่าเราเป็นอะไรเป็นใครกันแน่ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายที่เรามีอยู่นี้ ที่มีอาการสามสิบสองคือผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ความจริงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นร่างกายที่พ่อแม่ของเราสร้างขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับเราเป็นเหมือนของขวัญเราเป็นดวงวิญญาณ ที่อยู่ในโลกทิพที่อยากจะมาเที่ยวในโลกของมนุษย์อยากจะมาหาความสุขอยากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์นี้เราก็เลยต้องมามีร่างกายเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปเสกกามกคุคลทั้งห้าคือ เ, เสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆด้วยการใช้ตาหูจมูกลิ้นและกายของร่างกายเป็นเครื่องมือเรามีความสามารถที่จะเชื่อม ต่อกับร่างกายนี้ได้ผ่านทางกระแสของวิญญาณเหล่านี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความสามารถที่จะส่งกระแสการรับรู้มาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกริ้นกายของร่างกายได้ แลวเราก็มีความสามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆได้ตอนที่เราได้ร่างกายตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่เราก็มาฝึกใช้ร่างกายสอนร่างกายให้รู้จักคลานให้รู้จักยืนให้รู้จักนั่งให้รู้จักเดิน ให้รู้จักทาอะไรต่างๆเรานี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆเพราะเราจะต้องการจะเอาร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนั่นเองเราก็เลยฝึกซ้อมวิธีการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายจน ชำนาญสามารถสั่งให้ร่างกายทำลายตามที่เราต้องการจะให้ทำได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผู้ที่สั่งการเนี่ยคือผู้รู้ผู้คิดใจนี้เวลาที่ไม่ได้มาเชื่อมกับร่างกายเวลาใจอยู่ตามลำพังเราเรียกว่าดวงวิญญาณ เนือ้อวงวิญญาณได้มาเชื่อมกับร่างกายแล้วดวงวิญญาณนี้ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามคาภาษิต ท, ที่มีพูดไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจนี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งคนขับรถกับรถยนต์นี้เป็นคนละคนกันเป็นคนตะส่วนกันรถยนต์นี้ถ้าไม่มีคนขับจอด อ, อยู่เฉยๆมันก็จะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมีคนขับมาขับ ถึงจะไปไหนมาไหนได้และก่อนที่ร่างก่อนที่รถยนต์นี้จะไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวคนขับก็ต้องมาหัดขับรถก่อนต้องมาหัดขับถ้าไม่เคยขับรถเลยมาพอมาขึ้นรถจะสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่เป็นจะสั่งให้รถวิ่งออกไปก็สั่งไม่ได้ทำไม่เป็นต้องคนเรา ก่อนที่จะขับรถได้นี่เราก็ต้องไปหัดขับรถกันก่อนไปหัดขับรถจนกระทั่งไปสอบได้ใบขับขี่แสดงว่าเรามีความสามารถที่จะควบคุมบังคับรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนนต่างๆเขาก็ออกใบขับขี่ใบอนุญาตให้เราขับขี่รถยนต์ได้ ใจนี่ก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ใจใช้ให้พาไปไหนมาไหนอย่างวันนี้ใจก็สั่งให้ร่างกายมาที่วัดกันพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาที่วัดแล้วมาถึงที่วัดก็ให้มาฟังเทศฟังธรรมใจอยากจะเรียนรู้ธรรมะ อยากจะเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอใจนี้มีปัญหาคือมีความทุกข์ใจต่างๆที่ไม่รู้จักวิธีที่จะกาจัดให้มันหายไปได้พอเราได้ยินข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้ ศึกษาได้ปฏิบัติจนรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆได้บทเราก็เลยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความสนใจเกิดฉันทะสนใจเวริยะเกิดควา ม, ย, ย, ย, วามยินดีความภาคเพียรที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ เราก็เลยสั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดแล้วก็ใช้หูของร่างกายนี้ไว้รับเสียงธรรมะที่สแสดงอยู่ในขณะนี้พอเสียงนี้เข้ามาที่หูวิญญาณที่มาเกาะที่หูก็จะรับเสียงนี้ส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจนี้ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่โลกเดียวกับร่างกายใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิศใจไม่ได้อยู่กับร่างกายถ้าสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจอยู่คนละที่กันเหมือนกับ เวลาที่เขาส่งยานอวากาศขึ้นไปในอวากาศขึ้นไปโลกระจันคนที่ควบคุมบังคับยานนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวากาศอยู่บนโลกใช้สัญญาณวิทยุเชื่อมต่อกับยานอวากาศแล้วก็สั่งให้ยานอวากาศทําอะไรต่างๆตามที่ผู้ควบคุมต้องการให้กระทํา สั่งให้โคจรรอบดวงจันทร์สั่งให้จอดบนดวงจันทร์แล้วก็สั่งให้ถ่ายรูปต่างๆผ่านทางกล้องที่ติดไปกับยานอวกาศแล้วกล้องนั้นก็จะเอารูปที่ถ่ายนี้ส่งมาให้กับผู้ควบคุมยานอวกาศที่อยู่ในโลกนี้ให้ได้เห็นภาพต่างๆที่ ยานอวกาศได้ถ่ายและส่งมาให้กับผู้ควบคุมที่อยู่บนโลกนี้นี่คือความสัมพันธ์ของยานอวกาศกับผู้ควบคุมยานอวกาศอยู่คนละจุดกันถ้ายานอวกาศเกิดมีปัญหาเกิดตกพังไปก็พังไปเพียงแต่ยานอวกาศผู้ควบคุมยานอวกาศนี้ ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับความความพังพิ่นาของยาธนามกาศนั้นนี่ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันกันกบใจของเรากับร่างกายของเรานี้อยู่คนละที่กันอยู่คนละจุดกันร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกที่เราอยู่นี้เรียกว่าโลกธาตุเพราะเป็นโลกที่มีธาตุสี่ เป็นวัตถุดิบในการทำอะไรให้มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้ธ mm hmm. าตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ mm hmm. เวลา <c oughs> เวลาที่เขามาผสมปรุงแต่งกันมารวมตัวกัน mm hmm. ก็ทำให้เกิดมีต้นไม้ต่างๆ mm hmm. มีดอกไม้มีผักอะไรต่างๆ มีร่างกายของมนุษย์และมีร่างกายของสัตว์เดราฉานส่วนร่างกายของมนุษย์และสัตว์เดราฉานนี้ต่างกับต้นไม้ดอกไม้หรือผลล้ผักอะไรต่างๆนี้อยู่ตรงที่ว่าต้นไม้ผลไม้ผักผลล้มไม้ต้นผักต้นข้าวนี้ไม่มีดวงวิญญาณมาเชื่อมต่อด้วยเพราะ ต้นไม้ต้นข้าวเหล่านี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายที่ดวงวิญญาณสามารถที่จะมาเชื่อมต่อได้ด้วยแต่ร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดราฉานเช่นสุนัขแมวนกนี้เขามีตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นที่ดวงวิญญาณสามารถมาเกาะได้ แล้วเลยมาทำให้ร่างกายและร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ทำอะไรต่างๆที่ต้นไม้ต้นข้าวต่างๆนี่ไม่สามารถทำได้นี่แหละคือเรื่องของโลกสองโลกโลกธาตุกับโลกทิปใจผู้เป็นดวงวิญญาณนี้ อยู่ในโลกทิปยแต่มีความสามารถที่จะส่งกระแสวิญญาณที่จะมาเชื่อมต่อกับตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายได้แล้วพอเชื่อมแล้วก็สามารถรับรูปเสียงกลิดนด่นรสที่ร่างกายที่ตาหูจมูกนิ้นกายได้ไปสัมผัสพอตาเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรได้ ดมกลิ่นอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่นความร้อนหรือความหนาวความเย็นมันก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปที่ใจที่อยู่อีกโลกอยู่ในโลกทิพพอใจได้รับลูกเสียงกิ่นรสแล้วใจก็จะดูว่า รูปเสียงกลิ่นรสที่นั่งกายไปสัมผัสรับรู้นี้เป็นแบบไหนเป็นแบบที่ใจชอบหรือไม่ชอบ<ม>ถ้าเป็นแบบที่ใจชอบก็จะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบ<ม>ก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจขึ้นมาในใจ ถ้าพอเกิดความรู้สึกสุดรูด้ทุกข์ขึ้นมาภายในใจใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปทํำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็สั่งให้ไปเอามาครอบครองเอาไว้เอามาเก็บไว้ให้อยู่กับร่างกายไปนานๆที่เราไปเที่ยวเดินทเที่ยวตามร้านขายสินค้า พอเราเห็นสินค้าชนิดที่เราถูกใจเราชอบเราก็สั่งสั่งให้ร้านว่าจะขอซื้อสินค้าอันนี้ราคาเท่าไหร่พอเขาบอกราคาเรามีเงินจ่ายเราก็จ่ายไปแล้วเราก็จะได้สินค้าอันนั้นมาเก็บไว้กับเราผู้ที่สั่งการนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่สั่งการนี้คือใจ ที่อยู่ในโลกทีิตแต่สามารถสั่งการได้ผ่านทางกระแสของ ข, ของความคิดปรุงแต่งใจนอกจากสามารถรับลูกเสียง ก, กลิ่นรสได้แล้วยังสามารถสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามที่ใจต้องการได้พอใจพอร่างกายไปสัมผัสรูปเสียงกลิก่นรสที่ใจชอบใจก็สั่งให้ร่างกายไปเอามาไปเอามาครอบครองเอามาเป็นสมบัติ ถ้าเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่ไม่ชอบก็สั่งให้ใจนี้อถอยอถอยให้ห่างอย่าไปอยู่ใกล้ถ้าไปเห็นไปเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายได้ก็สั่งให้ร่างกายหลบให้ร่างกายหลีกอย่าไปอยู่ใกล้เหตุการณ์นั้นๆหรือถ้าไปเจ อ, อ บุคคลที่ใจไม่ชอบใจก็จะสั่งให้ร่างกายถอยให้หลบคนนั้นอย่าไปอยู่ใกล้คนนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของใจหน้าที่ของใจที่สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่ใจต้องการและให้หลีกเลี่ยง ไม่ให้ไ ป, ปะเะชิญกับสิ่งที่ใจไม่ชอบใจไม่ต้องการแต่บางครัง้งบางเวลาใจเวลาไปเจออะไรที่ชอบแล้วอยากได้ขึ้นมาก็จะสั่งให้ร่างกายไปหามาไปเอามาแต่บางทีก็เอามาไม่ได้เพราะมันเกินความสามารถของร่างกายที่จะไปเอามาได้ พอเอาใน ส, สิ่งที่อยากได้มาไม่ได้ใจก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเนี mm ่ย hmm. คือความเสียใจคือความทุกข์ใจหรือเวลาไปเจอกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ไม่ชอบแล้วอยากจะถอยห่างแต่ไม่สามารถที่จะถอยได้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จําเป็นจะต้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นหรือบุคคลนั้น ใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่นี่คือปัญหาของใจที่เวลามีร่างกายแล้วใช้ร่างกายให้ไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ใจได้เสพสุขใจต้องการความสุขจากรูปสียงกิรลดพธพภะชนิดต่างๆ แต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆนี้ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันคือไม่ได้เป็นอย่างที่ทำให้ใจมีความสุขรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้มีอยู่สามอย่างด้วยกันมีมีอย่างที่ทำให้ใจมีความสุขเวลาได้เสพได้สัมผัสมีอีกอย่างนที่จะให้ความทุกเวลาใจไปเสพไปสัมผัส แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นแบบที่เป็นแบบกลางๆไม่ได้ให้ความสุขและไม่ได้ให้ความทุกข์กับใจอันนี้คือปัญหาของใจในการที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพัชชนิดต่างๆใจนี้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพาว่า เขามีหลายรูปแบบด้วยกันเขาไม่ได้มีแบบเดียวไม่ได้มีแบบที่ใจชอบแบบเดียวมีแบบที่ใจไม่ชอบก็มีมีแบบที่ใจเฉยๆก็มีไม่ชอบไม่ชังก็มี <c oughs> เวลาใจอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส <c oughs> ก็อยากที่จะหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ใจชอบ แต่ใจก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้รูปเสียงกลิ่นรสที่ใจชอบนี้มาหามาให้ใจได้สัมผัสเพียงอย่างเดียวบางทีก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบแต่กลับไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็มีหรือรูปเสียงกลิ่นรสที่เฉยเฉยที่เป็นกลางไม่ได้ให้ความสุขก็มีไม่ได้ให้ความทุกข์ก็มี พอเวลาที่ไม่ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เฉยๆก็รู้สึกหยุดหยิดลำคาญใจถ้าผิดหวังมากๆใจก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของใจกับความความไม่ฉลาดของใจที่ไปหลงคิดว่า รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนี้จะทำให้ใจมีความสุขตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผทสภาะนั้นมันเป็นของที่หลากหลายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนไปหรือมีความหลากหลายมันมีชนิดที่ให้ความสุขก็มี มีชนิดที่ให้ความทุกข์ก็มีมีชนิดที่ไม่ได้ให้ความสุขและไม่ให้ความทุกข์ก็มีเวลาใจไปสัมผัสกับชนิดที่ให้ความทุกข์ก็เกิดความไม่สบายใจเวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขและไม่ได้ความทุกข์ใจก็ไม่รู้สึกไม่สบายเหมือนกันเพราะอยากจะได้ความสุขเพีย่างเดียว อันนี้แหละเป็นปัญหาของใจใจที่คิดว่าการที่ได้มาเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วได้มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว<น>จะพาให้ใจได้ไปเสพสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของใจ เพราะว่าความเป็นจริงแล้วการที่จะเสพความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสนี้เป็นสิ่งที่เสพได้เป็นบางครั้งบางเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเสพได้ตลอดเวลาและบางครั้งสิ่งที่เราได้เสพนี้มาได้มาเสพที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเรา บางครั้งบางเวลาเขาก็เปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนจากการให้ความสุขกับเรากลายเป็นการให้ความทุกข์กับเราขึ้นมาพอสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรากลับมาให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราแล้วเช่นเวลาที่เราไปได้แฟนมาตอนต้นเราก็คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเรา ใหม่ๆเวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นข้าใหม่ปามันเอาอกเอาใจกันรักกันให้ความสุขต่อกันแต่อยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดอาการจำเจอพอเห็นอะไรที่จำเจมันก็เลยไม่มีรถมีชาติมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายการให้ความสุขกับกันก็ลดน้อยถอยลงไปจนในที่สุดก็กลายเป็นการให้ความทุกข์ต่อกัน พอสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรามากลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ขเขาแล้วเราก็เลยมีการเลิกลากันไปสมัยนี้เราสังเกตได้คนเรานี่ยท่อยู่ร่วมกันได้ไม่นานเวลาอยู่ใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันรักกันดีพออยู่ไปอยู่ไปเริ่มชินกันเริ่มเห็นว่าเป็นสิ่งจำเจกลายเป็นเรื่องเบื่อหน่ายไป ก็ะไรไม่ได้ให้ความสุขต่อกันให้ความทุกข์ต่อกันเมื่อให้ความทุกข์ต่อกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไะไรต้องมีการอยากกันไปเลิกลากันไปแล้วก็ทำให้เวลาเลิกรากันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วช่วงที่ต้องอยู่คนเดียวก็เกิดอาการรู้สึกเหงาไม่มีความสุขแต่ก็ไม่เข็ด พอเหงาอยู่คนเดียวก็คิดอยากจะไปหาความสุขจากจากแฟนคนใหม่นะก็ไปหาแฟนใหม่มาคบพอเวลาได้แฟนใหม่มาคบก็ดีออกดีใจมีความสุขเหมือนกับตอนที่กับคนก่อนลืมไปว่ามันก็เป็นนิทรรศเรื่องเดียวกันนิทานเรื่องเดียวกันนะั่นแหละเดี๋ยวได้คนใหม่มาไม่นานเดี๋ยวมันก็เป็นแบบเดิมนั่นเองเพราะนี่คือธรรมชาติหรือคุณ คุณสมบัติของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพระนี่มันจะไม่ได้ให้ความสุขกับใจแบบจีรังถาวรแบบยั่งยืนมันจะให้เป็นแบบชั่วคราวแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดมันก็จะกลายเปลี่ยนกลายเป็นของที่ให้ความสุขกลายเป็นของที่ให้ความทุกข์ไปใจก็เลยต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายปัญหาของความทุกข์ใจนี้ถ้ายังมาเสรรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะอยู่นี้จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะว่านี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะชนิดต่างๆเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่เป็นสุข เขาให้ความสุขเราเพียงชั่วคราวแล้วพอความสุขที่เขาให้เราหมดไปมันเขาก็จะให้ความทุกข์เรามาแทนที่นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอมาเกิดกันมามีร่างกายกันเพื่อที่จะมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วแทนที่เราจะได้ความสุขอย่างที่เราปรารถนากัน เราก็ต้องมาเจอความทุกข์กับความไม่แน่นอนของสิ่งที่เราหามาให้ความสุขกับเราแล้วนอกจากสิ่งที่เราหามาให้ความสุขกับเรานี้เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนได้จากสุขให้กลายเป็นทุกข์ได้เราก็ยัง ม, มามีปัญหากับร่างกายของเราอีกด้วย ร่างกายที่เราได้มาจากพ่อแม่นี้ก็เป็นร่างกายที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นร่างกายที่มีความไม่เชี่งแท้แน่นอนเช่นเดียวกันมันมีการเปลี่ยนแปลงตอนที่เกิดมาใหม่ๆมันก็จะมีการเจริญเติบโตมันก็มีแต่การพัฒนาในด้านที่ดีร่างกายโต ว, วันโตคืนมีกําลังมังชามากขึ้น มีความสามารถที่จะพาให้ใจไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแต่อยู่ไปนานๆเข้าอายุมากขึ้นมากขึ้นสมรรถภาพความสามารถของร่างกายที่จะทำหน้าที่หาสิ่งต่างๆมาให้ใจได้เสพนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปมันก็เริ่มเกิดความชรา แล้วก็เริ่มเกิดมีอาการปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนเวลาที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายใกล้จะตายนี้ร่างกายไม่สามารถทาหน้าที่ตอบสนองความต้องการของใจได้ช่วงนั้นช่วงชีวิตบ้านปลายของชีวิตนี้เลยกลายเป็น ช่วงที่ใจมีแต่ความทุกข์เพราะว่าใจไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายพาให้ไปหาความสุขต่างๆแบบที่ใจเคยทำได้นั่นเองนี่แหละคือปัญหาของใจที่ลงหลงผิดเป็นชอบหลงคิดว่าการที่ได้มามีร่างกายแล้วจะได้ ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากจะให้ความสุขแล้วกลับมาให้ความทุกข์กับใจเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะเราที่ใจยจาวไปใช้หาความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันของที่จะต้องมีวันแกวันเจ็บวันตาย เข้าในช่วงวัยชราช่วงในวัยที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใจร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจได้ใจก็เลยต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดจนถึงวันตายไป <Yeah. S 1> นี่แหละคือปัญหาของใจที่เราที่เราที่เราถือว่าเป็นตัวเราเนี่ย เราออกมาจากใจใจเป็นผู้คิดว่าใจเป็นเราใจเป็นผู้คิดว่าใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วใจก็มาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจได้มาสัมผัสรับรู้ผ่านทางร่างกายในี้ใจก็อยากจะไม่อยากจะเจอความทุกข์เหล่านี้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไม่มีความรู้ความสามารถความฉลาด พอที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจเหล่านี้ได้จึต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเช่นในยุคนี้สมัยนี้พวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะไม่มีตัวพระพุทธเจ้าเองก็ตามแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำหน้าที่สอนวิธีดับความทุกข์ใจของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวพระพุทธเจ้ามาสอนก็ได้ตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่ที่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือชื่อบัญชีชื่อพระคำภีร์ ที่บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุกได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว<ม>ก็เอาวิธีดับความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจสอนอยู่ทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันและทุกครั้งที่ทรงแสดงทำเหล่านี้ ก็จะมีพระภิกษุที่มาบวชนี้มาท่องมาจดมาจำคําสอนเหล่านี้กันเพราะในยุคสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเครื่องบันทึกเหมือนในยุคนี้สมัยนี้สมัยนี้เรามีเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพและเรามีมีตัวอักษรที่เราสามารถที่จะบันทึกคําสอนไว้เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือได้แต่สมัยก่อนนั้นไม่มี เครื่องบันทึกความจำเหล่านี้ก็เลยต้องอาศัยการจดจำการสวดการท่องของพระภิกษุสวดสวดท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไปทรงแสดงธรรมในแต่ละครั้งตั้งแต่ครั้งแรกไปจนถึงครั้งสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันเมื่อมารวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้ถึงแปด0มืสี่พันบทด้วยกันแปดมืนสี่พันบทเ <Okay. S 2> พระาะไตรปิฎกนี้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ถึงแปดสี่แปดมืนสี่พันบทด้วยกัน <Okay. S 2> เป็นเป็นการเทศแต่ละกัน <Okay. S 2> ที่ได้ทรงแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็มีผู้จดจำเอามาบันทึกไว้ในใจในเบื้องต้น ต, ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านทางวิทยาศาสตร์ก็เลยมีการสามารถที่จะใช้การเขียนหนังสือเป็นแทนแทนการจดจำได้ก็เลยมีการบันทึกเป็นตัวอักษรไว้ในหนังสือแล้วก็มีมาถึงจนปัจจุบันนี้เป็นหนังสือก็ไต่บิดกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้คือสอนวิธีดับความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้อันนี้เป็นทางหนึ่งของการที่เรายังจะสามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากเราไปแล้วก็ตามแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับคำสอนที่ พระพุทธเจ้าสอนเราโดยตรงเลยในขณะที่พระ อ, องค์มีชีวิตอยู่ังนั้นถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีดับความทุกข์จากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกจมีพระสูตรต่างๆที่สอนวิธีการดับทุกข์ต่างๆให้กับเรานี่ก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะสามารถศึกษาวิธีดับความทุกข์ของใจเราได้วิธีที่สองก็คือ มีพระ อ, อริยสงสารกของพระพุทธเจ้า mm. คือมีพระที่ได้หลังจากที่ได้มาบวชแล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนเองได้แล้วรู้จักวิธีดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะ mm. ก็สามารถเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ถ้าตอนนี้มีความทุกข์ใจกังวลกระวายกับกัสายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เราไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ให้ไปหาพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้หรือหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ได้ ทางคณะสง์ก็มีหนังสือที่เรียกว่าหนังสือหลักสูตรนักธรรมตรีนี้ก็จะมีคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถูกคัดออกมาให้ได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้นอกจากมีหนังสือธรรมะแล้วก็ยังมีพระสุ ป, ปฏิปนโน พระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เราก็สามารถที่จะไปเรียนไปศึกษาจากท่านได้ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วนําเอาคําสอนที่ท่านสอนนี้ไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนได้เราก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ นี่คือสิ่งที่เราได้พบในพบนิชานี้ก็คือได้พบผู้ที่ได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาของเราแล้วแก้ความทุกข์ที่เรามีอยู่ในใจของเราแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเรามาเกิดยุคก่อนที่มีพระพุทธศาสนาก่อนพุทธกาลนี้จะไม่มีใครรู้วิธีการดับความทุกข์ว่าดับอย่างไรแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้ตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มีความทุกข์ใจเหมือนพวกเราอยู่อย่างขณะนี้แล้วพระองค์ก็ท่งไปพยายามไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในการดับความทุกข์ mm hmm. ก็ได้เรียนรู้เพียงวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวเท่านั้น mm hmm. แต่ไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์แบบถาวร วิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวก็คือระ ง, งับใจให้นิ่ง <S <S ให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งต่างๆให้เข้าสมาธินั่นเองเพราะว่าเวลาที่ใจเข้าสมาธิได้ต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์คือความอยากต่างๆนี้มันถูกมันถูกระ ง, งับไว้ชั่วคราวก็เลยทำให้ความทุกข์ใจที่ปรากฏอยู่ในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้ หายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะออกมาเคลื่อนไหวต่อพอมีความเคลื่อนไหวมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้ น, ส, น, น, ส, น, นสิ่งนี้ที่อยากได้มันไม่ได้เป็นไปดังที่ที่อยากได้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหม่ได้สมัยก่อนนั้นไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะทาให ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆนี้ให้มันหายไปหมดอย่างถาวรพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็รู้ว่ายังไม่ไปไม่ถึงจุดสูงสุดยังไม่สามารถดับความทุกข์ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรพระองค์ก็เลยต้องขวนขวายศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เอง หาวิธียังทำอย่างไรจะทำให้ความทุกข์ที่อยู่ในใจนี้หมดไปได้อย่างถาวรจะทำอย่างไรที่จะทำให้ความอยากในใจที่มีอยู่นี้ให้มันหายไปหมดเหมือนกับตอนที่เข้าไปในสมาธิในที่สุดก็สรงคนพบความจริงความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจเราไปอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์ แต่ว่ามันมีความสุขหุ้มห่ออยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าคนไม่ฉลาดก็จะไม่เห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขอันนั้นแต่คนฉลาดเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าความสุขที่หุห้มห่อความทุกข์อยู่นั้นมันเป็นผิวบางๆเวลาได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ให้ที่อยากได้ที่ให้ความสุขมันก็จะให้ความสุขไปชั่วคราวเท่านั้นเอง แล้วพอไม่นานความสุขที่หุ้มหอ่อความทุกข์อยู่มันก็จะาจางหายไปแล้วสิ่งที่จะโผล่ขึ้นมาก็คือความทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์จนเห็นในที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจหลงไปคิดว่าจะให้ความสุขนี้ความจริงมันเป็นความทุกข์กันเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่หุ้มหอ่อความทุกข์เอาไว้ พอสูญเสียความสุขไปอะไรเกิดขึ้นตามมาก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบวิธีที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไปให้ได้อยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากจะเสพอะไรนี้ต้องตัดให้มันหมดให้ได้ เพราะสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพนี่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขชั่วคราวสุขเดียวเดียวสุขแบบน้ำตาลเคลือบยาขมพอน้ำตาลละลายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในปากก็จะมีแต่ขอยาขมเราก็จะคายทิ้งไปทันทีนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงรู้และนํานาม า, ม า, มาสั่งสอน ผู้ที่สนใจเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปหมดได้พอความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจหายไปหมดใจก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปใจสามารถอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดมาให้ความสุขกับใจได้เพราะโดยธรรมชาติของใจเองนั้น ใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่มีความทุกข์มาคอยปิดกั้นไม่ให้ความสุขมีเพียงแต่มีความอยากมาปิดกั้นที่ทําให้ใจไม่มีความสุคนั่นเองพอกำจัดความอยากที่มาปิดกั้นความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจนี้ได้แล้วใจก็จะมีความสุขโดยอัตโนมัติเพราะเป็นธรรมชาติของใจที่จะมีความสุขแต่ที่ไม่สุขก็เพราะว่ามี ความอยากที่มาคอยปิดกั้นเอาไว้เหมือนที่มีคำพูดว่าบุญมีแต่กรรมบังนั่นเองมีบุญแต่บุญไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะมีกรรมมาบังไว้ใจก็เหมือนกันใจมีความสุขในตัวของมันเองได้แต่ไม่สามารถมีได้เพราะมีความอยากมากั้นเอาไว้มาปิดกั้นเอาไว้พอทำลายความอยากเพื่มาปิดกัน้นความสุขของใจได้ความสุขของใจก็จะโผล่ขึ้นมา เต็มที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนไม่มีความสุขที่ไหนที่จะวิเศษเท่ากับความสุขของใจที่เกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้เท่านั้นเองพอผู้ที่ได้สนใจได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือการไปคอยกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปต้องเริ่มต้นตั้งแต่จากขั้นแรก ไปสู่ขั้นสุดท้ายในการกำจัดความอยากเพราะมีความอยากหลายขั้นด้วยกันพระพุทธเจ้าทึงสอนวิธีกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจแบ่งเป็นสามขั้นใหญ่ขั้นที่หนึ่งกำจัดความอยากด้วยการทำบุญทำทานขั้นที่สองกำจัดความอยากด้วยการรักษาศีลขั้นที่สารกำจัดกำจัดความอยากด้วยการชำระความอยากด้วยการเจริญ จิตตะภาวนาทําใจให้สงบแล้วสอนใจให้มีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ให้ความสุขกับใจนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขก็ เ, เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเที่ยงได้นี่คือสามขั้นตอนวิธีการของผู้ที่ต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องกาจัดด้วยการทำทานรักษาศีลและภาวนาการทำทานนี้กาจัดความอยากอะไรก็กาจัดความอยากที่จะเอาเงินที่เรามีอยู่นีไปไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากสิ่งต่างๆนั่นเองพอเรา ม, ามีพอเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วนี่เราก็อยากจะเที่ยวกันแล้วสิ อยากจะหาความสุขจากการไปเที่ยวอยากจะหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มอันนี้เป็นการไปทาตอบไปเป็นการไปตอบสนองความอยากเป็นการต่ออายุของความอยากให้มันมีกำลังมากขึ้นไม่ใช่ไปตัดกำลังของความอยากให้น้อยลงวิธีที่จะกำจัดหรือตัดความอยากเหล่านี้ให้มันน้อยลงก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขให้กับใจ มีวิธีหนึ่งวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องทําตามความอยากนั่นก็คือวิธีทําบุญทําทานนี่ให้เราเอาเงินเอาทองที่เราจะไปใช้กับความอยากต่างๆนี้เอาไปทําบุญทําทานแทนเช่นอยากจะไปเที่ยวซึ่งถ้าเราไม่เที่ยวเราก็ไม่ตายแต่ถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราจะติดแล้วเวลาที่ติดแล้วเวลาที่เราอยากเที่ยวแล้วเราไม่มีเงินเที่ยวเราจะทุกข์ เราต้องหาวิธีตัดความอยากเที่ยวไปทุกครั้งที่เราอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอยากไปดูอยากจะไปกินไปดื่มอะไรนี้เราเอามาเอาเงินเหล่านี้มาไปมาไปทำบุญทำทานแทนเอาไปให้ใครก็ได้แล้วแต่เราเราอยากจะให้ใครก็เอาไปให้ได้ส่วนใหญ่เราก็ต้องน่ึกถึงผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อนเช่นบิดามารดาปูา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณกับเราเราก็ไปให้เอาเงินเอาทองไปให้เอาเงินไปทองไปซื้อของที่สำคัญที่จาเป็นให้ท่านได้กินได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าบ้านท่านไม่ดีมีเงินพอที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ท่านอยู่ได้ก็สร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่อยู่อะไรทำนองเหล่านี้ให้ทำบุญทำทานดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวเราจะทาให้มีความอยากเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย แล้วเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ทํามันจะทุกข์เนีแต่ถ้าเราเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญทําทานมันก็จะสกัดความอยากให้อ่อนกําลังลงทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไปทําบุญทําทานกันทําบุญทําทานกับผู้มีพระคุณผู้มีความสําคัญเช่นทําบุญกับผู้ญาตายายพ่อแม่แล้วเราก็ไปทําบุญกับพระพุทธศาสนา พราะพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันที่มีความมีคุณประโยชน์แก่สัตวโลกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้สัตวโลกจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ของตนเองได้เลยเราจําเป็นจะต้องมีสถาบันคือพระพุทธศาสนานี้มาเป็นผู้คอยพำมสอนผู้คอยบอกทางสู่การหลุดพ้นให้กับพวกเราถ้าเราไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนานไม่ใส่บาตรไม่สนับสนุนพระภิกษุ ที่มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลต่อไปเราก็จะไม่มีพระอริยบุคคลที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะสอนวิธีดับความทุกข์ให้กับเราได้พระถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราก็จะไม่มีผู้ที่จะพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทาบุญก่อนก็คือเบื้องต้นก็ทาบุญกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณ พาอม่ดีดามารดาปุยญาตายายบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเขามีพร้อมบริบูรณ์แล้วไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือที่อื่นตอบไปช่วยดูแลพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ทำหน้าที่ของพระพุทธศาสนาได้คือผลิตพระอริยบุคคลขึ้นมาการจะผลิตพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็ต้องมี พระอริยบุคคลคอยพัฒมคอยสอนผู้ที่มาบวชใหม่มาศึกษามาปฏิบัติบุคคลเหล่านี้เขาก็ต้องมีปัจจัยสีในการดำรงชีพก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยอาศัยมียารักษาโรคเราก็ต้องสนับสนุนพระพุทธภิกษุเหล่านี้ด้วยอาหารบิณฑบาตด้วยจีวรเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ด้วย ที่อยู่อาศัยกุติที่อยู่อาศัยแล้วก็อย่ารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อท่านจะได้ทําหน้าที่ของพระภิกษุที่ดีคือศึกษาเรื่มเรียนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งแล้วนําเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาพอท่านได้เป็นพระอริยบุคคลท่านก็จะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จะได้อาศัยคำสั่งคำสอนของท่านมาเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปได้ น, นี่คือการทาบุญทาทานจุดสำคัญสองจุดแรกก็คือคนทาบุญกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปุยาตายายกครูบาอาจารย์ถ้าเขาเดือดร้อนขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือเราก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือดูแล หลังจากนั้นเราก็มาดูแลพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีผู้ที่จะมาสอนมาบอกทางให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าพระพุทธศาสนาได้รับการดูแลอย่างพร้อมแล้วถ้าเราอยากจะไปทาที่อื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เวลาที่มีอุทุกภัยมีวาตภัยมีอักคีภัยมีน้ำท่วมมีไฟไหม้มีพายุทำให้เกิดความเสียหายคนเดือดร้อนไม่มีปัจจัยสี่ไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียะยารักษาโรคเราก็ไปช่วยกันบริจาคเงินทองไปนี่คือวิธีการในการที่เราจะสกัดความอยากของเรา ในการอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆจากเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเราใช้เงินทองไปทำตามความอยากนี้ใช้เท่าไหร่มันก็ไม่พอมันไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่อิ่มได้ไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกซื้อของอันนั้นซื้อของอันนี้มาแล้วเดี๋ยวพอข่าวหน้าไปเดินห้างไปช้อปปิง้งเดี๋ยวเห็นอันนั้นอันนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แลวเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจแทนที่จะไปลนง้กับความทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะใช้ซื้อของที่เราอยากได้นี้ไปทำบุญทำทานนี้ความอยากได้ของต่างๆมันจะน้อยลงไปทีละ เ, เล็กทีละน้อยตามกำลังของการทำบุญของเราทุกครั้งที่เรามีเงินแล้วเราอยากจะเอาเงินไปซื้อ ไปซื้อของตามความอยากของเรา เ, าเปลี่ยนมาทําบุญดีกว่าแล้วความอยากที่จะไปซื้อของนั้นมันจะค่อยๆหมดไปต่อไปเราก็จะไม่รู้สึกผิวโหยกับการที่จะไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปกินไปดืม่มอะไรต่างๆเราเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราไม่ได้เป็นความสุขนี่เป็นขั้นแรกของการที่เราจะมากําจัดความอยากที่เราใช้ สนับสนุนด้วยการใช้เงินทองของเราไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาไปทำบุญทำทานแล้วแต่เราจะทำกับใครที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเป้าหมายก็คือต้องการที่จะหยุดใช้เงินทองไปกับการทำตามความอยากต่างๆเราต้องการสกัดความอยากตัดกําลังของความอยากอย่าไปเพิ่มกําลังด้วยการสนับสนุนอย่าไปทำตามอย่าทำตามใจอยากด้วยเงินทอง มันจะทําให้ความอยากนี้มันมันขยายตัวมากขึ้นแรงขึ้นอยากได้ของตอนต้นก็อยากได้ของราคานี้ต่อไปพอมีเงินมากกว่านี้ก็อยากจะได้ของที่ราคาแพงกว่านี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาไม่ได้ก็จะทกใจเสียใจนี้คือขั้นแรกของการสกัดความอยากก็ทําบุญทําทานแล้วขั้นที่สองก็ให้เราสกัดความอยากด้วยการรักษาสี่ง เวลาเราอยากได้อะไรมากๆบางทีเราอาจจะต้องไปทําบาปกันไปรักไปขโมยไปช่อกงไปโกโหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเพณีเราต้องใช้ศีลนี้มามากําจัดเพราะนี่มันไม่เกี่ยวกับเงินทองนะมันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการกระทําของเราบางทีอยากจะได้อะไรแล้วได้โดยตรงไม่ได้โดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องหาวิธีคดเคี้ยวหาวิธีทุจริตโกหกหลอกลวงช่อโกง อันนี้เราต้องมาถือศีลเพื่อมรรลังกาการกระทาเหล่านี้เพื่อจะได้สกัดความอยากที่ออกมาทางการกระทาทางกายทางวาจาอันนี้คือหน้าที่ของศีลเราต้องมาสกัดความอยากที่มาทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมทางการกระทาที่ไม่ไม่ดีต่างๆอย่าปอย่าปล่อยให้ใจไปทำเราจะทำให้ใจนี้สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ทำให้ใจมีความสุข เวลาเราทำบาปทำกรรมแล้วนี่พอทำไปเสร็จแล้วใจเราจะเริ่มมีความเครียดขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมามถ้าไปทำผิดกฎหมายก็ต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลั ว, <ม>วจะถูกจับไปติดคุกติดตารางมมไม่มีความสุขหรอกได้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเป็นความสุขแป๊บเดียวดีใจเดียวเดียวแล้วก็ต้องมาเครียดกับความความทุกข์ที่จะต้องไปติดคุกติดตารางนั้นให้เราพยายาม ห้ามใจเราเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วจะไปทำจะไปเอามาได้ด้วยความด้วยการกระทําบาป ก, ใก็ให้ถือศีลกันให้ถือศีลห้าแล้วเว้นการล้วเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปน่นดึงของบุญเมาหรือเสพยาเสพติดต่างๆเพราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้เร า, เาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราและไม่ได้สกัดความอยาก ไปทำให้ความอยากมีกําลังมากขึ้นรุนแรงขึ้นเมื่อเราสามารถสกัดความอยากได้สองทางแล้วทางแรกทําทด้วยด้วยการให้ทานทาบุญให้ทานท า, ทางที่สองก็คือด้วยการรักษาศีลแล้วเราก็มาทําขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เราจะมาหยุดความอยากด้วยการเจริญจิตภาวนาคือการนั่งสมาธิ ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเรามีสติสามารถควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดได้ถ้ า, าเราหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่าเข้าสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธิความอยากที่มันเคยทำงานอยู่ในขณะที่อยู่นอกสมาธิมันก็จะหยุดทำงานไปชัว่วคราวมันไม่สามารถทำงานได้เวลาใจอยู่ในสมาธิแล้วก็หลังจากที่ออกจากสมาธิมา ถ้าใจมีสติที่คอยควบคุมความคิดก็จะสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแต่มันยังไม่ทําให้ความความอยากมันตายไปอย่างถาวอนถ้าอยากจะให้ความอยากตายอย่างถาบอล น, นี้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องมาศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้เช่นรูปเสียงกลิรรภภ่นรสผดสะพะนี้มันเป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขแบบชั่วคราวพอความสุขหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่แล้วมันเป็นของที่เป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้มันจะมาเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่นี่มันจะดับเมื่อไหร่เราไปห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องกลายเป็นการให้ความทุกข์กับเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราด้วยปัญญาแนละ้วเราก็จะไม่อยากได้มันอีกต่อไปความอยากที่เคยอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศชนะเสริญอ ย, อยากมีอยากเป็นอะไรนี่พอมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่านี้ต่อไป นี่แหละเป็นวิธีกำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรแต่เบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยการตัดกำลังของความอยากด้วยด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งแล้วเวลาออกจากสมาธิมานี้ความอยากนี้ที่เคยรุนแรง 100% อซนี้ก็ จ, จะเหลือแค่ 50% พอที่เราสามารถที่จะใช้ปัญญา สอนใจให้เห็นว่าความอยากที่เราอยากได้ในสิ่งต่างๆนี้มันจะนาพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้เที่ยงให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันให้ความสุขได้ชั่วคราวแล้วพอความสุขเนิ่นจางหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญา เพื่อสกัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อเรามีปัญญาแล้ว ร, รู้ทันความอยาก ร, รู้ทันสิ่งที่ใจอยากได้ทั้งหมดว่าเป็นทุกข์แล้วใจก็จะไม่มีความอยากกับอะไรอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่จะสงบจะนิ่งตลอดเวลาใจที่นิ่งที่สงบตลอดเวลานี้เป็นใจที่เป็นที่ให้บรลมรสุขอย่างยิ่ง ใจที่มีมีบรมสุขนี้เราเรียกว่านิพานนิบานังบรมังสุขงังนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วผลที่ท่านจะได้ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป หลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วใจก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มามาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะใจมีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ในใจอยู่แล้วนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราทุกคนพวกเราคือใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเรายังมีความอยากที่คอยคอยผลักดันคอยฉุดลากให้เราไปเกิดไปมีร่างกายแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราได้หามาให้ความสุขกับเรา ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุดติปัญหาของความทุกข์ใจเราก็ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติก็คือเราต้องทําบุญทำทานต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนากันถ้าเราทําทั้งสามอย่างนี้ได้แล้วผลก็จะเป็นความสุขที่บรลมัสุขคือพระนิพพานเมื่อเราได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราแล้วนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทินังเปตานาังอุปกัรปฏิอิชีตังปัติตังตุมหังกิปเมวะสมิชัตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนาราโสยธามะนีโชติอราโสยธาสัพีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังุถาปจายโน จะตาโรโธรรมะวาทานติอายุวโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามท่านที่อยากจะถามคำถามแต่ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง Youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทาง facebook 520ท่าน youtube พระสุชาติล324ท่าน youtube ดร V 95ท่านวิทยุออนไลน์9ท่านกลับเท้า8ท่านปรากฏติ1 67ท่านรวมทั้งหมด1 1 2 3ท่านครับประจัน์ คำถามจากคุณวิชัยค่ะกลาบเรียนถามพระอาจารย์หากผู้ที่ทำบุญทำทานหวังผลให้เกิดลาภสักการะอันเกิดจากการทำบุญแบบนี้จะได้บุญหรือเปล่าครับได้เหมือนคนกินข้าวกินข้าวอีกน้อยอยากจะได้แฟนทกินี่ได้ก็คือได้ความอิ่งแต่แฟนนี่อาจจะไม่ได้อีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะหากเรางดเว้นไม่ทานเนื้อสตัตว์จะเป็นบุญกุศลหรือเปล่าครับ ก็เป็นมันก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญก็ไม่มันก็เป็นเหมือนกินของที่ตายแล้วกินผักอะไรพวกนี้มันก็เป็นของที่ตายแล้วเหมือนกันถ้าเราไปสั่งเขามาให้เขาค่ามาให้เรากินเนจะบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งของที่เขาตายแล้วเรามากินก็ไม่บาปไม่เป็นไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญเป็นบาป จากคุณเสงดอนพลาค่ะเมื่อวานผมพยายามคุยกับคุณแม่เรื่องการไหวผีตามประเพณีคนจีนและเรื่องการนับถือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านก็ทําบุญเข้าวัดถือศิลครับเป็นแนวนับถือหลายอย่างพุทธพรามผีนับถือหมดผมพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจเรื่องสังโยตสามอยากให้ท่านปฏิบัติให้ถูกทางมากขึ้น อยากให้ท่านตัดสิ่งที่ไม่ใช่สาระออกบ้างผมควรแนะนำท่านหรือวางใจอย่างไดดีครับคือผู้หลักผู้ใหญ่กอนเรานี้การที่จะไปสั่งสอนท่านคงจะไม่เหมาะสมถ้าท่านถามเรานี้ก็พอที่จะพูดได้แต่ถ้าท่านไม่ถามเราอยู่ดีๆเราจะไปสอนไปบอกท่านนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรงนั้นก็ต้องรอว่าท่านอยากจะถามเราหรือไม่ หรือไม่เช่นนั้นเราก็หาอุบายพาท่านไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมะให้ท่านได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่สนใจเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้ คำถามจากคุณเฟื่องค่ะเป็นคนมีเพื่อนฝากถามมาค่ะเป็นคนชอบสวดมนต์มากถ้ามีกําลังสวดสวดได้ทั้งวันและมีความสุขทุกครั้งที่ได้สวดมนต์แต่พออยากจะเริ่มทําสมาธิพอเริ่มทํามันเหมือนใจจะขาดอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆดูเหมือนไม่มีความเพียรเกี่ยวกับสมาธิเลยเป็นเพราะอะไรคะเพราะความอยากอยากให้มันเสร็จเร็วๆแสดงว่าไม่อยากจะนั่งอย่นอย่าไปอยากให้มันเสร็จเร็วๆ ก็นั่งไปแล้วก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้เมื่อเราสวดในท่าอื่นได้แล้วก็มาสวดในท่านที่นั่งสมาธิด้วยก็ได้นั่งสมาธิไปก็้วสวดมนต์ไปแล้วสวดไปนานๆสวดไปจนกระทั่งรู้สึกเย็นสบายไม่อยากจะลุกแล้วค่อยค่อยห ย, ยุดสวดจากทาง youtube ดรวีค่ะพระอระหันต์เมื่อเห็นอาหารที่น่ากินเวลาเดินมินทบะท่านจะมีความรู้สึกอยากกินหรือไม่ครับความอยากไม่มีเลย แต่ความรู้ว่ามันอร่อยมีอยู่มัน <Okay. S 1> มันไม่ลืมเคยกินของนี้มาก่อนตอนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่พอพอพอไม่มีกิเลสแล้วพอเห็นก็ยังจำได้อยู่ว่ามันของอร่อยแต่ความอยากเหมือนตอนที่มีกิเลสไม่มีนะกินก็ได้ไม่กินก็ได้หมดแล้วเหรอค่ะไม่มีแล้วค่ะพอพระพุทธเจ้ากับพระอาหาร น, นี้ท่านก็ยังอยู่กับในโลกนี้อยู่ท่านก็ยังกินยังดูยังเห็นอะไรอยู่ แต่ท่านดูแบบใจเป็นกลางใจเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เหมือนตอนที่ท่านยังมีกิเลสตอนที่มีกิเลสท่านเห็นอะไรท่านก็จำชอบบ้างไม่ชอบบ้างยินดียินร้ายบ้างอยากได้บ้างอยากไม่ได้บ้างแต่พอท่านได้ปฏิบัติ ท, ทำทําใจให้หมดกิเลสหมดความอยากหมดความรักหมดความชังก็เลยเฉยเฉยกับสิ่ ง, งต่างๆแต่รู้ว่าสิ่งนั้นดีและไม่ดีเพราะมันยังอยู่ในความจำอยู่ คนที่เคยด่าเราเคยที่ทุบตีเราเราก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนไม่ดีแต่เมื่อก่อนเกลียดชังเขาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เกลียดชังเขาเราเฉยเฉยคนที่เราเคยรักเราเคยชอบเราก็เห็นเขาเราก็ไม่ได้ไปรักไปชอบเหมือนตอนที่เราเคยรักเคยชอบเขาเราก็เฉยเฉยไปมีปุจจัยของคนที่ไม่มีกิเลสเป็น ใ, นใจที่เฉยเฉยพระเจ้าบอกว่าให้เวลาเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเห็นเฉยเฉย อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายได้ยินอะไรก็อย่าไปยินดียินร้ายเฉยๆนะ่ะดีที่สุดใจเราจะได้เย็นไม่วุ่นวายถ้าเราไปยินดียินร้ายแล้วใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาจักคุณอาชาราค่ะกลับน ร, รมสัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไม่บูชาไม่กราบไหว้สารพระภูมิเราจะบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอก การบูชาสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีความจริงมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการหลอกตัวเองนั่นเองศาลพระภูมิอะไรพวกนี้เจ้าภูมิเจ้าที่ในทางนี้เราไม่ต้องไปไหว้เขาหรอกเขาไม่ได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราแต่เราก็ไม่ลบหลู่เขาถ้าเกิดเขาอยู่แถวนั้นก็เราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา จากคุณนิภาค่ะอยากสอบถามเรื่องการดูจิตเพื่อบรรลุธรรมการดูจิตนอกที่อยู่ใ น, ต ใ, นใตใ้กฎตายรักคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นจิตคิดโกรธในขณะคิดจิตเดิมแท้จะมีทักษณะนิ่งๆเฉยๆโล่ง ๆ, งๆว่างๆซึ่งในจิตนี้เน้นให้เราใช้สติบวกสมาธิเข้าไปดูบ่อยๆดูจนเกิดมารกจนสามารถสลายจิตตัวนี้ได้ก็จะตัดภพตัดชาติลงได้จริงไหมคะ มันเราไม่ต้องการสลายจิตเราต้องการสลายกิเลสสลายความโลภความโกรธความหล ง, วลงเวลาดูจิตนี네้ให้ดูที่ความโลภความโกรธความหลงว่ายังมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังโลภอยู่ก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหลงก็ต้องหยุดมันให้ได้การดูจิตนี้ให้ดูที่ตัว ก, กิเลสเพราะเป้าหมายของเราก็คือการกําจัดกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ เหมือนหมอที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บเขาก็จะไปตรวจดู ว, ว่ามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายหรือเปล่ปาอยู่ในเลือดหรือเปล่ปาถ้ายังมีเชื้อโรคอยู่เขาก็ต้องให้ยาไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อโรคมันไม่มีอยู่ในในร่างกายแล้วเขาก็หยุดให้ได้ไคำถามจากคุณพนัสค่ะการคิดไม่ดีหรือมโนกรรมเป็นบาปหรือไม่ครับ การกินอะไรนะการคิดไม่ดีเจ้าค่ะหรือมโนกรรมเป็นบาปหรือไม่ครับก็เป็นอกุศลยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะยังไม่ได้ไปทำร้ายผู้ยังไม่ได้ปล่อยออกมาทางกายทางวาจาแต่เป็นอกุศลเป็นเป็นความคิดที่ทำให้ใจไม่สบายใ จ, ใ จ, ใจใทุกข์เองได้แต่ไม่ไปสร้างเวร ส, สร้างกรรมกับใคร จากคุณเฟื้องค่ะพระอรหันต์ตอนละสังขารจะเข้ายานได้ไหมคะหรือละความเจ็บปวดได้ตลอดเวลาเจ้าคะท่านจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เพราะใจท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรใจท่านเฉยได้ คำถามต่อไปค่ะการมีลูกภรรยาพ่อตาแม่ยายหรือภาระผูกพันคนต่างๆคือการแบกขันห้าคูณจํานวนคนเข้าไปใช่หรือไม่ครับก็อย่างนั้นแหละเรามีร่างกายของเราเราก็แบกไปอันหนึ่งนะพอไปมีแฟนก็แบกเพิ่มอีกอันนึงใครแบกพ่อตาแม่ยายเพื่อแบกเพิ่มไปอีกแล้วมีลูกก็มาแบกเพิ่มอีก จากคุณจรค่ะโวดทัพพระคืออะไรครับพระอาจารย์ของที่มาสัมผัสทางร่างกาย เ, ยเช่นของของเย็นของร้อนนี่เรียกปวดทัพพะหรือของคมของของแหลมเวลามีดบาดเรานี่ก็เรียกวปวดทัพพะหรือเวลาเรานั่งแล้วร่างกายเจ็บปวดตามอาการต่างๆองนี้ก็เรียกว่าปวดทัพพระเหมือนกัน คุณกระต่ายค่ะขณะดเดินจงกรมถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆถ้าเราหันไปดูถือว่าเราเอาใจส่งออกไปหรือเปล่าคะหรือไม่ควรหันไปดูเลยควรพุโทโธต่อไปเรื่อยๆอยากปฏิบัติให้ถูกต้องเจ้าค่ะก็อยู่ที่เป้าหมายของเราว่าเราต้องการที่จะให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ไปสนใจแต่ถ้าเราคิดว่าเราบางทีก็ต้องมีความรอบครอบบ้าง เพื่อมีภัยใกล้ตัวเราถ้าเราหันไปดูเราอาจจะป้องกันตัวเราได้หรือหลีกจากภัยนั้นได้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการปฏิบัติในตอนนั้นว่าต้องการจะทำอะไรถ้าต้องการที่จะให้ใจเพ่งอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างเดียวไม่สนใจจะเป็นจะตายยังไงก็ปล่อยได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้เพ่งดูไปอย่างเดียว Variance, คุณนัทพรค่ะเป็นโรคกระพาะต้องกินยาสามื้อไปบวชชีพรามได้ไหมเจ้าคะก็ไม่รู้แหะต้องถามหมอว่ากินข้าวเย็นได้ไม่กินข้าวเย็นได้ไหมแล้วกินยาแบบไม่ต้องกินข้าวเย็นได้หรือเปล่าหรือเปลี่ยนยาได้ไหม จากคุณนายนาค่ะช่วงนี้สามีจิตตกเรื่องงานกดดันเรื่องงานหนูควรให้กําลังใจอย่างไรคะให้เขามีกําลังใจสู้ต่อไปค่ะก็บอกว่ามันเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงวันนี้เรามีงานพรุ่งนี้เราจะตกงานก็ได้ตอนนี้เราตกงานพรุ่งนี้เราก็าจะได้งานใหม่ก็ได้ดนั้นโลกเราข้างหน้ามันมีอะไรแน่นอนเราอย่าไปปรงว่ามันจะต้องตกงานไปตลอดตอนนี้เราก็หางานทําได้ มีงานที่มีคุณค่ากางงานหาเงินหาทองนี่ก็คืองานหาสติคนฉลาดเขาจะหาสติคนโง่จะหาสตางเพราะว่าการได้สตินี้มันได้ทรัพย์ภายในได้อริยทรัพย์ได้ทรัพย์สมบัติที่เอาติดตัวไปกับเราได้การหาสตางนี่เราไม่สามารถเอาประกับเราไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราอาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้ว่าเ อ, อโชคดีนะเราไม่มีงานทําตอนนี้เราจะได้มีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมห้ศึกษาธรรมนะจะคู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะระหว่างไปเข้าคอร์สทำจิตภาวนากับการไปวัดฟังเทศฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างไหนดีกว่าการโชครากราบสาธุค่ะก็แล้วแต่ผลที่เราได้จากการไป ว่าเราได้ปัญญาได้ความสงบมากน้อยต่างกันอย่างไรเป้าหมายของการปฏิบัติก็ต้องการได้ปัญญาได้ความสงบเพื่อที่จะได้เอามาใช้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ว่าเราจะไปเข้าคอร์หรือไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเราก็ต้องดูผลที่เราได้ว่าเราจะได้ปัญญามากขึ้นหรือเปล่าเราจะได้สมาธิความสงบมากขึ้นหรือเปล่า สองตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องการจากการที่เราไปปฏิบัติทำกัน mm hmm. หมดแล้วเนะี่ยโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหม mm hmm. เชิญถามได้นะ mm hmm. ถ้าไม่มีใครถามก็เอาค่านี้ก่อนสาหรับวันนี้ mm hmm. โอกาสหน้าค่อยมาต่อกันใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิตรานาไปปฏิบัต